ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพสภธาสิโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีพิตังปฏิโกสติดุมเมโทลิท่งนิซายปาปิกังพลานิกันตะกัเซวะอตคันยายะพันลติแปลความว่ า, วาผู้ใดมีปัญญาซามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดข้านคำสอนของพระอริยเจ้า ผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุย้ไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ห่างไกลาจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคําสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ต้องการให้คําสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันทั่วของตนการกระทําเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตัวขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกในทีเดียวแม่มา อ, สอัสสร เมื่อมีลูกก็าตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกดาลิงหั่นติพลังเวลงพลังณลังสักกาโรโโบริสั่งหั่นติคบโปอสัสตริงยธาควาว่าผลกล้วยย่อมฆ่าทนกล้วยขุยไัยฆ่าทนภยัยผลอ้อฆ่าทนอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอสระดอนันใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วฉั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่ า, วา สักกะระความนับถือทรัพย์ยศละเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสยัยพานสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงกลืนว่าเยาโซลทานามัชเชยะ ได้ยดแล้วไม่พึงเมาการเมายดเมาเกียดเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสีย อ, อีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจานี่ประจําทุกค่ําคืนคนฉลาดย่อมพยายามทําให้ความลําบากยากเข็ญเป็นขอนร้องเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จทําราบยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสําหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทําในสิ่งที่ตรงขันข้ามเรื่องนี้ พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารบ พ, พระกาลเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถา ข, ของพระเถระนั้นทํานุบํารุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทําต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้รุนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสนักพระศาสดาแล้วกลับมาสันเสริมพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแม้ พระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเรายะยิ่งนั้นฟังคําของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาลว่าท่านเจ้าขา้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยมันจําเป็นหรอกพระกาลห้ามวันนู้นขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั่นก็ห้ามอีกถึงสามครั้ง แต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระาศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขา ว, ว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระาศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถและสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำ ร, รุงพระพุทธเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทํามาดังนี้แล้ว รีบไปยังเชตาวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาะเลเถระมาถึงบ้านมุตรีของนางก็อังค่าพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบวา่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่า น, นั้นความร่าเริงร้อนโกลนกวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถร ะ, ะนึกหวั่นเกรงเพว่าเมื่อนางเริ่มใสพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตาวัน หญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสํานักพระศ า, ศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าขา่าหญิงคนนี้เขานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงสแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันติเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคถาอันว่าโดยท้าและสิงเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัปชาสายของเธอว่าที่พูดฉชนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนทิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามรามขัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาซา ม, ามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าตนไผ่ฉะนั้นจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปฏิพันธ์